ที่ประเทศเวียดนามนะมีคุณแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งนะลูกก็เพิ่งอายุได้สักสามสี่เดือนหดือนสี่ห้าเดือนวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเลี้ยงลูกอยู่นะเธอก็เล่นโทรศัพท์นะจ้องมองแต่ข้อความทางโทรศัพท์ ก็ดูโทรศัพท์เป็นเพลินนะขณะเดียวกันเนี่ยเท้านี่ก็ผลักรถเข็นสำหรับเด็กนะก็ผลักไปเรื่อยๆนะตยองพักเนี่ยเธอก็เงยหน้าขึ้นมาพอมองไปที่รถเข็นไม่เห็นลูกนะเธอก็ ตกใจแล้วก็เดินตามหาลูกทั่วห้องเลยก็ไม่เจอลูกหายไปไหนนะตกใจนะสักพักก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองนี่กำลังอุ้มลูกอยู่อุ้มลูกโดยมือซ้ายนะมือขวาก็ถือโทรศัพท์ นะอุ้มลูกกระเตงกระเตงไอตอนที่เดินหาลูกเนี่ยหาลูกไม่เจอไม่ใช่เพราะว่าลูกหายนะแต่เพราะว่าลูกเนี่ยอยู่ติดกับตัวเธอนะ่พอเห็นลูกเข้าโอ้ยดีใจนะเออมันก็แปลกนะอุ้มลูกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกเนี่ย อยู่ข้างตัวอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าลืมตัวพอลืมตัวมันก็ลืมอะไรต่ออะไรได้ง่ายมากแม้กระทั่งสิ่งที่นะรักเนี่ยคือลูกเนี่ยลืมลูกนะและที่ลืมลูกก็เพราะว่าโทรศัพท์เพลิอยู่กับโทรศัพท์ พอใจมันจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์เข้านะมันก็ลืมทุกอย่างนะรวมทั้งลืมตัวด้วยอุ้มอยู่อุ้มลูกอยู่กับตัวแท้ๆนะแต่ไม่รู้อย่างนี้เราไม่รู้ตัวนะความไม่รู้ตัวเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าต้องสลบสไล หรือเมาหมยหรือว่าป่วยโคมานะ่าบางทียังปกตินี่แหละแต่ว่าก็ไม่รู้ตัวอุ้มลูกอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าอุ้มอันนี้จะเรียกว่าไม่รู้กายก็ได้นะภาษาธรรมะเรียกว่าไม่รู้กายหมายถึงว่า กายทำอะไรเนี่ยแต่ว่าใจมันไม่รับรู้ด้วยอคนเราก็เป็นอย่างนี้บ่อยนะวันวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กายบางทีกินข้าวอยู่ตักอาหารใส่ปากแต่ไม่รู้นะเพราะว่าใจมันลอยตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าลืมตัวพอลืมตัวก็เลยไม่รู้ตัวอาบน้ําถูฟันก็ทํา ไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยแต่ว่าเราอาจจะไม่สังเกตชัดนะจนกว่าจะเจอกรณีแบบเนะี่ยคุณแม่คนเนี้ยอุ้มลูกอยู่ด้วยมือของตัวเองแท้ๆนะแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกเนี่ยกำลังถูกอุ้มอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอุ้มลูกอยู่เนี่ยงดีนะ ในระหว่างที่ไม่รู้ตัวว่าอุ้มลูกอยู่เนะ่ไอ้มือข้างซ้ายเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนะนอกจากจับลูกเอาไว้สมมติว่าเนี่ยแม่คนนี้เนี่ยนะเดินไปเปิดตู้เย็นด้วยมือข้างที่ยังว่างอยู่นะคือมือซ้ายมือขวานี่จับโทรศัพท์เหลือมือเดียวที่ว่างคือมือซ้ายถ้าเกิดว่าเดิน ไปเปิดตู้เย็นนะด้วยมือซ้ายนะขณะที่กำลังอุ้มลูกอยู่เนี่ยด้วยมือข้างเดียวกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะลูกก็ตกลงมาเลยนะกระแทกพื้นหรือว่าอาจจะไปะหยิบแว่นตามาไปหยิบปากกามาไปหยิบกุญแจนะโดยมือข้างซ้ายที่คิดว่ายังว่างอยู่ เกิดเพลิไปหยิบเข้านะก็ปล่อยลูกตกลงมาะลูกก็คงบาดเจ็บนะแต่โชคดีนะที่ว่ามันไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนี่เป็นตัวอย่างชัดเลยนะอคําว่าไม่รู้ตัวเนี่ยหลายอย่างที่เราทําเนี่ยทั้งทังที่อุ้มลูกอยูอ่อุ้มลูกนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเบานะมันก็หนักพอควร แต่แม้กันนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากำลังอุ้มลูกอยู่หลายอย่างที่เราทำเนี่ยถ้าเราทำไปนานๆเนี่ยหรือทำบ่อยๆมันก็ทำด้วยความหลงนะคือไม่รู้ตัวบางคนนะตามหาแว่นตาหาแว่นตาเท่าไหลาก็ไม่เจอเนะก็ไปโทษคนนั่นคนนี้หรือบางทีก็ไปใช้คนนั่นคนนี้ช่วยหา แต่พ ว, วาแว่นตานี่มันก็อยู่กับตัวนี่แหละนะอยู่ที่ศีรษะนั่นแหละนะบางทีก็พักแว่นตาไว้บนศีรษะมันอยู่กับตัวแท้แต่ว่าไม่รู้ว่าแว่นตาเนี่ยอยู่บนศีรษะหรือบางทีสมัยก่อนนี่ก็มีคนนะาวางปาักกาดินสอหนีไว้ที่ที่หูนะพอจะใช้ก็หาไม่เจอ มันไปไหนบางทีกไกลอนุขึ้นมาได้ก็ต้องมีคนมาทักนะว่ า, น เ, าวเนี่ยก็คลีบเอาไว้เนี่ยที่หูเนี่ยบางทีพอรู้แล้วยังถายไม่นะหูซ้ายหูขวาบอกมาเร็วๆอันนี้เพราะว่าความเร่งรีบนะใจร้อนหรือว่าคิดโน่นคิดนี่แต่นี่มันก็ดูแล้วเชื่อไม่ได้นะกับอุ้มลูกแล้วไม่รู้อุ้มลูกเนะี่ยอลืม แบนตาไว้บนศีรษะนี่ยังก็พอทำเนาหนะหรือว่าลืมปากกาไว้ข้างหูวนี่ก็ยังพอทำเนานะแต่ลืมลูกที่กำลังอุ้มอยู่เนี่ยวันนี้มันประหลาดมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหลือวิสัยนะใครใก็ทำอย่างนั้นได้อาจจะไม่ได้อุ้มลูกแต่ถืออะไรบางอย่างนะแต่ว่าตอนนั้นมันลืมตัวไม่รู้ตัวตอะไรทำให้ไม่รู้ตัวอะไรทำให้ลืมตัวนะ ก็โทรศัพท์นี่แหละ เ, เดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์นี่เป็นเครื่องมือที่มันทําให้คนเนี่ยลืมตัวนะลืมกายลืมใจไม่รู้ตัวไม่รู้กายไม่รู้ใจนี่ง่ายมากเลยมันไม่เพียงแต่ทําให้ลืมตัวจนลบแก่โทรศัหรือลุกแก่ความอยากหรือว่าถูกอารมณ์ความงามจนทําอะไรที่ไม่ถูกต้องบางทีลืมก็แม้กระทั่งสิ่งที่เราควรทําหรือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะกําลังอุ้มลูกอยู่อ่ะ ลืมว่าหรือไม่รู้ว่ากำลังอุ้มลูกหรือว่าควรจะดูแลลูกนะแต่ว่ากลับไปเพลินนะกับโทรศัพท์เพราะเล่นเกมทิ้งลูกให้หิวโหยไม่เอานมให้ลูกกินเนี่ยนี่ก็มีประจำเคยมีดาราคนนึงนะอเอาลูกใส่รถเข็นแล้วก็พาเดินไปตามถนนขณะเดียวกันก็ก้มหน้าดูโทรศัพท์ไปด้วย ดูทาสาวไปด้วยเข็นลูกไปด้วยปรากว่าไปเจอทางที่มันไม่ไม่ไม่เรียบนะรถมันก็เกิดกระเทือนจนกระทั่งลูกตกลงมารถคว่มนะลูกตกลงมาจากรถเขโกรธมากเลยนะอาจารย์จะโก ร, ตนะรโธตัวเองนะหรือโทษตัวเองนะว่าเป็นพ่อไม่ดูแลลูกนะกลับไปโทษเทศบาลว่าเนี่ยทำถนนเนี่ยไม่ราบนะทาให้มี าการกระแทกเกิดขึ้นนะจนกระทั่งลูกเนี่ยตกมาจากรถแบบนี้ก็มีนะอันนี้เรียกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือที่มันเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะบันทอนสติสัมปชัญญะของเรานะแต่ว่าเป็นอันตรายอย่างหนึ่งเลยนะถ้าหากว่าใช้ไม่ถูกไม่เป็นเนี่ยยังก็ต้องระวังด้วย